วันนี้มาหลายคนนะปกติจะมีมากเฉพาะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่ไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีจึงไม่ได้ถือเป็นวันที่จะเทศเป็นเนื้อเป็นหนังก็จะเทศแบบเป็นเปลือกเป็น พูดเบาๆให้สบายคนพูดสบายคนฟังสบายมีใครอยากจะถามอะไรไหมอาเจรย์ถามไดอ้อาทิตย์ที่แล้วที่มาปฏิบัติอาหารอยากทราบว่าถ้าอยากเจอได้เป็นบ้านเดียเด่ยวๆที่่เป็นคนเดียวนี่ สา ม, มารถที่จะทำยังไงได้คะเ่ยเป็นพั้อยู่ในห้องไม่ได้เพราะโตก็ ต, ต้องเราติดต่อถามคุณหมูดูถ้าจะจองก็จองได้แต่ต้องอยู่แบบเก็บตัวที่ให้ทำเป็นที่ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งคือ เมื่อก่อนนี้ที่วัดเขาจะมีแต่หอพักให้อยู่รวมกันแล้วก็ให้ลงโบสถเช้าเย็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติยังปฏิบัติกันไม่เป็นก็เลยให้เข้าไปฝึกปฏิบัติในโบสถ์ไหวพระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ ตอนหลังนี้ได้มีโอกาสได้ซ่อมบ้านเก่าบ้านเดียวหลังนี้เมื่อก่อนเป็นของลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชเขาจะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปใช้เขาจะเก็บไว้เฉพาะเวลาที่สมเด็จสังฆราชเสด็จมาแล้ ว, วกลูกศิษย์ติดตามมาจะได้มีที่พักอาศัย แต่ตอนหลังนี้สมเด็จท่านก็จลาภาพแล้วก็สิ้นพระชนไปลูกศิษย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มรณภาพไปบ้านก็เลยตกอยู่ในสภาพาไม่มีการดูแลรักษาก็เลยชำรุกสุดโทรมเราก็เลยขออนุญาตเขา ว่าจะมาซ่อมแซมบนละนะเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมที่อยากจะมาเก็บตัวไม่อยากจะออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกิืไกายก็ขออนุญาตเขาว่าจะซ่อมให้แล้วก็จะดูแล รับคนที่สนใจที่อยากจะมาอยู่แบบเงียบๆแล้วก็ปกติทางวัดจะให้อยู่ได้ครั้งละเจ็ดวันตามหอพักแต่ที่นี่เราเห็นว่าบางทีปฏิบัติมันต้องยาวหน่อยก็เลยให้อยู่ได้ถึงสองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งแล้วถ้าว่างไม่มีใครจองก็ ต่อก็ต่อได้แต่ก็อาจจะต่อเท่าที่จำนวนวันที่มีคนจองอาจจะต่อได้5้าวันสามวันหรือกี่วันก็สุดแท้แต่แต่เบื้องต้นนี้จะให้อยู่ได้ครั้งละสิบี่วันสอัาทิตย์แล้วก็พอครบแล้วถ้าไม่มีที่ว่างก็ต้องเป้นวักไปเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่น ได้มาอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นหลักการที่ได้ทำให้มีสถานที่ปฏิบัติอีกแบบหนึง่งแบบอยู่คนเดียวก็พยายามทำให้มีของใช้ครบถ้วนที่ในที่พักเลยมีมีที่สำหรับอุ่นอาหารไม่ต้องออกมา ซื้ออาหารสั่งอาหารให้เขาไปส่งให้หรือเราซื้ออาหารสำเร็จรูปมีตู้เย็นแช่ไว้มีเตาไมโครให้อุ่นแล้วก็ให้ถือศีลแปดชิ่นมือเดียวหรือสองมือก็สุดแท้แต่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกมายุ่งกับใครเพราะโดยมากส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติรามของผู้หญิงนี้ ตามวัดต่างๆเขามักจะให้ไปช่วยกันทำ ง, งานที่โรงครัวกันแล้วก็ไปถวายอาหารที่ศาลามันก็บางทีต้องไปพบปะกันคนก็อาจจะมีการคุยกันมีการอะไรกันมันก็ทำให้ใจวุ่นวายเสียเวลา เมื่อก่อนนี้ไม่มีที่วัดก็เลยมาขอสร้างที่ป่าไม้ที่ป่าไม้ที่อยู่ที่นี่ข้างล่างที่สานักงานเขาเขามีที่ว่างก็ขออนุญาตสร้างสี่หลังก็แบบเดียวกันให้ใครมาอยากจะอยู่เก็บตัวก็มีที่พักให้อยู่ได้แล้วก็มีคนรับทำอาหารสด ส่งให้คนปฏิบัติบางทีเขาก็มาอยู่แบบไม่กินอาหารเพราะเขาเห็นว่าเวลาปฏิบัติไม่ต้องเวลาไม่รับประทานอาหารนี่มันช่วยให้การปฏิบัติก้าวหน้าเพราะมันต้องบังคับถูกบังคับให้ภาวนาทําใจให้สงบพราะเวลาไม่รับประทานอาหารนี่ใจมันจะหิวใจมันจะคิดถึงแต่เรื่องอาหาร ก็เลยต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบความหิวก็หายไปความหิวส่วนใหญ่ 90% เอร์ซนอยู่ที่ใจไปพิถึงอาหารแล้วเกิดตันหาความอยากขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานใจถ้าทำใจให้สงบได้ความหิว 90% อร์ซนต์นี้มันจะหายไปเหลือความหิวเพียงส0ของร่างกาย ซึ่งบางคนนี้สบายเพราะว่าร่างกายกินเผาไว้เป็นปีแล้วไม่อดก็ไม่ไม่กินทักเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นปัญหาเลยก็มีอาหารสะมมาาาร ส, ะสมไว้เป็นเดือนคนภาวนาเป็นนี้จะได้รับประโยชน์ได้รักษาหุ่นร่างกายไม่ให้กายเป็นตุ่มแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไป จ้กิ่งไปไปเสียเงินกับพิกหนุกพิดเด็ดอะไรแลนเล่นร้ายเต้นกายกน้ำหนักใส่ก็ออกไปกินใหม่ <c oughs> ม, มันก็ไม่มีวันที่จะลดได้หรอกเพราะว่ามันจะลดก็ต้องไม่กินไม่เอาเข้าไปนี่มันเอาเข้าไปแล้วก็ออกไปเต้นร้าเต้นกาให้เหนื่อยเอือออกหน่อยเสร็จแล้วก็หิวก็ไปกินใหม่มันก็ไม่มีวันที่จะคุมได้ มันต้องคุมที่ใจเพราะตัวที่หิวจริงๆคือใจใจนี้เป็นผู้หิวและมันกินเกินความต้องการของร่างกายร่างกายมันก็เลยกลายเป็นตุ่มถ้าใจถูกควบคุมด้วยสติด้วยสมาธิได้รับรองได้ว่าไม่มีวันที่จะเป็นตุ่มได้นี่มันก็คือประโยชน์ของการอดอาหารสำหรับผู้ที่ ภาวนาอยากจะทำใจให้สงบเพราะว่าเวลาไม่อดอาหารมันกินแล้วมันจะขี้เกียจมันจะง่วงจะคิดถึงมอนอมันไม่ต้องภาวนาเพราะว่าไม่มีไฟลนก้นมันก็เลยนอนสบายไม่เดือดร้อนแต่พอมันตื่นขึ้นมามันก็อยากนู่นอยากนี่เวลาจะภาวนาก็ภาวนายาก ก็เลยใจอุบายของการอดอาหารอดมันมีหลายระดับอดแบบสีแปด ก, ก็ไม่กินหลังเที่วันไปแล้วอดแบบพาสต์โดงก็กินมือเดียวฉันน่ยกินหนึเดียวถ้ากินแบบเรียบง่ายสมถะไม่ยุ่งยากก็มีอะไรก็ใส่เข้าไปในชามในจานทั้งข้าวทั้งหวานคลบมันพลมันอะไรที่จะเข้าไปในร่างกายก็ให้มัน ปนกันอยู่ในจานที่เราจะกินกันเพราะเราไม่ได้กินเพื่อรสชาติไม่ได้กินเพื่อตั้หาความอยากแต่เรากินเพื่อให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายมไม่สนใจหรือว่าจะกินหวานก่อนเค็มหรือเค็มก่อนหวานหรือจะกินพร้อมกันในที่สุดมันก็ไปรวมกันที่ท้องอยู่ดี อันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทําให้เรื่องการอยู่กินอยู่นี่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินที่ไหนกินอะไรก็กินได้ถ้าเราไม่ดัดนิสัยตัวเราเองนี่เราจุ้จจุกจิกจะต้องกินอาหารนั้นอาหารนี้เราจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่ไหนไม่ค่อยได้เพราะที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เขาจะไม่มีอาหารมาบํารุงบำรเล่า อาหารเขาส่วนใหญ่ก็าตามมีตามเกิดตามวัดก็แล้วแต่ได้มาจากการบินทบาท <c oughs> ดันั้นผู้ภาวนาก็าควรที่จะฝึกรับประทานอาหารตามหลักธรรมคือรับประทานเพื่อร่างกายอย่รับประทานเพื่อตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแต่รับประทานแบบร่างกายก็ เอาอาหารทุกอย่างที่จะรับประทานนี้ใส่ไปในภาชนะอันเดียวอย่างของพระบ๋ององท่านกระชันแบบนี้ที่วัดป่าบ้านตานี่พระท่านจะไม่มีโอกาสได้จัดบาตรของท่านเองหลวงตาไม่ให้จัดหลวงตาให้พระทุกลูกช่วยกันตักอาหารใส่เข้าไปในบาตรของแต่ละองค์พระเลยนั่งจะมานั่งเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไม่ได้เพราะ หลังจากหลวงตาตักแล้วหลวงตาก็จะส่งหม้อหรือส่งจานให้กับพระพระก็จะเอาไปตักบาตรทั พ, พีทัพพีไปไม่เลือกก็เป็นของใครเหมือนกันหมดถ้ามันมีน้อยหลวงตาก็บอกให้ให้ตักจากข้างล่างขึ้นมาบ้างจากข้างบนลงไปบ้างเพื่อของมันจะได้ทั่วถึงพระไม่ไม่ให้นั่งให้พระมาช่วยกันตัก นี่ก็คืออุบายที่จะทำให้เราไม่มีปัญหากับเรื่องการรับประทานอาหารร่างกายไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่ใจเราร่างกายมันกินอาหารได้ทุกชนิดอาหารจีนอาหารแขรอาหารฝรั่งมันไม่รู้หรอกมันเป็นอาหารอะไรมันจะรู้ก็เฉพาะว่ามันเสียหรือไม่เสียเนถ้าเสียมันก็ถ่ายออกมาอาเจียนออกมาถ้ามันไม่เสียมันก็มันก็จัดการเข้าสู่ระบบ ของร่างกายเยียบยาดูแลรักษาร่างกายนี่คือวิธีที่จะทําให้การปฏิบัติของเราไม่มีอุปสรรคเรื่องอาหารนี่ก็เป็นอุปสรรคได้เพราะเราเคยชินกับการรับประทานอาหารตามใจชอบก่อนหนไม่ได้รับประทานตามใจชอบเพื่อรับประทานไม่ลงแล้วก็เกิดปัญหาหิว แล้วก็ทําให้ไม่มีสติสตังที่จะนั่งสมาธิที่จะปฏิบัติทําได้งั้นมาตรการเรื่องการอารับประทานอาหารแบบไม่จุ้จี้จุกจิกจะช่วยได้หรือถ้ามันจุ้จี้จุกจิกก็ไม่อยากให้มันกินเลยลอดมันไปเลยแล้วรับรองได้วันพรุ่งนี้อะไรก็อร่อยไม่หมือ้าเปล่าข้าวคุกน้ำปลานีก่ก็กินได้ เวลามันหิวสุดๆนี้มันกินได้เท่านั้นน่ะนี่ก็เลยคือเรื่องของที่มาของการมีที่พักตอนตอนนี้ก็กำลังสร้างเพิ่มอีกสี่หลังที่ป่าไม้ต่อไปที่ป่าไม้ก็มีแปดหลังที่ป่าไม้นี้ต้องโทรต้องโทรจองกับคุณปุกหรือโทรจองอ่าโทรจองคุณปุกแล้วนอกจากของของที่สร้างแปดหลังนี้ป่าไม้เขก็ยังมีอยู่ บางมีอยู่สองสามหลังที่จองผ่านป่าไม้ได้เขาก็มีที่ให้ไปพักได้ช่วงในช่วงที่เขาไม่ได้ใช้คือเราสร้างนี้ก็ไมส่สร้างแล้วก็ยกให้เป็นของป่าไม้ไปไม่ได้เป็นของเราเพียงแต่ว่าขอแบ่งใช้เวลาที่เขาไม่ใช้เราก็ขอให้ญาติโยมที่อยากจะมาอยู่เก็บตัวเพราะที่เป็นป่าแบบนี้มันหายาก ที่เป็นป่าที่มันเงียบอย่างนี้หายะอย่างนี้วัดส่วนใหญ่มันถึงแม้จะเป็นวัดป่าที่คนมันเข้าไปกันอยู่เยอะแล้วก็มันไม่มีการจัดการควบคุมกันดีมันก็เลยเป็นที่ค่อนข้างที่จะพลกพล่านพอสมควรดนั้นวัดที่ปฏิบัติของเรามันจึงไม่เล้เป็นเหมือนของวัดทั่วไป มันเป็นเหมือนสมัยพุทธกาลมากกว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญท่านก็ไม่มีวัดไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็น เ, เป็นที่เป็นทางท่านก็ย้ายที่ไปหาที่ไหนเงนี่ยมีโคนไม้มีที่ร่มเย็นพอหลบแดดหลบฝนได้ท่านก็อยู่ภาวนาไปเห็นไหมพระพุทธเจ้าตัดเซลุใต้ต้นโพ ปาม้นี่เป็นที่เกิดของพระอริยะเจ้าทั้งหลายโอตเจ้าเกิดก็เกิดในป่าในสวนลุมพินีตัดสรู้ก็ตัดสรู้ในป่าใต้ต้นโพ ป, ประกาศธรรมก็สอนในประกาศธรรมในป่าอิสิปัตนาะแล้วนิพานก็นิพานใต้ต้นไม้ อันนี้คือชีวิตของพระที่แท้จริงต้องอยู่ตามตามป่าตามเขาเพราะว่าพระนี่เป็นผู้ที่ตัดความสุขทางโลกคือทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นลดแล้วมันจะเกิดความอยากความชอบความผูกพันมันก็จะติดรูปเสียงกลิ่นลด ตดแล้วมันก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเหมือนคนติดยาเสติดติดบุหรี่ติดกาแฟติดเครื่องดื่มติดแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆจนวันตายตายแล้วก็กลับมาเกิดมาดื่มใหม่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เวลาบำเพ็ญเขาต้องไปอยู่ไกลๆมันจะได้ไม่มีอะไรมาคอยลบกวนใจถ้าอยู่บ้านนี้ถือศีลแปดคนอื่นไม่ถือเราถือคนเดียวเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็ทำอาหารโชยเข้าจมูกมันก็หิวเดี๋ยวเขาก็เปิดเพลงฟังเปิดละครดูไอเราก็พยายามพุโทโธพุทโูพุโทพโูเท่าไหร่มันก็ไปหาแต่กลิ่นไปหาแต่เสียงแต่ลูกนั้น มันก็เลยทําไม่ได้ตาบะแตกจึงต้องมาอยู่วัดวัดก็ต้องเป็นวัดที่สงบที่ไม่มีอะไรมาลบกวนใจสมัยนี้วัดส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดสวดเป็นวัดทําพิธีกรรมกันมากกว่าคือทำทำแบบเปลือกไม่ได้ทําแบบเนื่องแบบหนาวก็มาอยู่ อยู่ที่โบสถ์มานอนที่โบสถ์ฟังเทศไหว้พระสดมนที่โบสถ์คืนหนึ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็กลับบ้านก็ยังดีอยู่กว่าอยู่ที่บ้านแต่ยังไม่ได้เข้าไปลึกโอกาสที่จะเข้าถึงความสงบอย่างเต็มที่นี้เป็นไปได้ยากถ้าปฏิบัติร่รวมกันมันต้องวิเวกต้องอยู่คนเดียว ต้องไม่มีอะไรมาให้ใจเราต้องคอยกังวลเวลาเราปฏิบัตินั่งสมาธิกันหลายๆคนเดี๋ยวคนนั้นขยับเดี๋ยวคนนั้นไอคนนั้นมันก็มารบกวนแล้วบางทีก็นั่งนานไม่นา น, ไ ม, น, านไม่เท่ากันดูเราปฏิบัติของเราคนเดียวไปตามกำลังของเราบางทีก็นั่งได้นานบางทีก็นั่งไม่ได้นานนั่งไม่ได้นา น, านก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ เดิเมื่อแล้วก็กลับไปนั่งใหม่งานทําใจให้สงบนี้มันต้องทําอย่างต่อเนื่องมีสติอยู่ทุกเวลานาทีควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ชอบพุทโธจะใช้อาการส2ก็ได้ถ้ามันอยากจะเที่ยวให้มันเที่ยว ไปในกายนครกายนครก็คือร่างกายดูอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในข้างนอกก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเข้าไปจากหนังก็เข้าไปข้างในใต้หนังก็เป็นเนื้อในเนื้อก็มีเอ็นมีกระดูกแล้วก็มี อวัยวะน้อยใหญ่มีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีไส้ใหญ่ไส้น้อยในไส้ก็มีอาหารใหม่อาหารเก่าในกะโลกศีรษะก็มีสมองและน้องอย่างนั้นก็ยังมีน้ําชนิดต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเงือน้ํามันข้นน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไขข้อน้ํามูดเนี่ย นี่คืออาการสาสิบสองจะท่องชื่อเหล่านี้ไปพังพงก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบพุโทโธพุโทโธแล้วมันจำเจมันไม่ <c oughs> มันซ้ำซากก็ลองเอาอาการสาสิบสองดูอาการสาสบสองนี้ก็จะทำให้ได้เกิดปัญญาด้วยทำให้เรารู้จักร่างกายของเราเพิ่มมากขึ้นว่าไอ้ตัวเราอยู่ตรงไหนกันแนะ่ ในร่างกายคนดูแล้วมันมีแค่สามสิบสองอาการเหมือนกับของในกระเป๋านี่เราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเราจะรู้ว่ากุญแจมันอยู่ในกระเป๋าหรือไม่เราก็ต้องเปิดกระเป๋าออกแล้วก็เทของที่มีอยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมดแล้วก็คนดูว่าเอ๊ะที่เราคิดว่าเราเอากุญแจไว้ในกระเป๋านี้มันอยู่ในนี้หรอคปั่าไอเราความคิดของเราก็คิดว่าเราอยู่ในร่างกายนี้ใช่ไหม มีใครคิดว่าไม่อยู่ในร่างกายนี้บ้า่าเราคิดว่าเราร่างกายคือเราเราคือร่างกายกันมันแล้วเราอยู่ตรงไหนก็เทเทร่างกายนี้ออกมาแหวกมันออกมาดูข้างนอกก็รู้แล้วว่าไม่มีเรามีแต่ผมเวลาโกนผมไปแล้วเราหายไปกับผมหอป่ะถ้าเราเป็นถ้าผมเป็นเราเวลาไม่มีผมแล้วเราก็ต้องหายไปด้วย เราก็ยังอยู่เราก็ยังรู้อยู่จัดเล็บไปเล็บมันไปแต่ตัวรู้ก็ยังอยู่ตัวคิดก็ยังอยู่ตัวที่ว่าคิดว่าเรารู้ว่าเรานี่มันก็ยังอยู่หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มันเป็นเราหรือเปล่าหัวใจลำไส้มันเป็นเราหรือเปล่าเองไล่พิจารณาไปอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเห็นความจริงว่า ทั่วละัวสฟังร่างกายนี้มันไม่มีอะไรที่ว่าเป็นตัวเราของเราเลยอยู่เราอยู่ดีๆไปตู่มันขึ้นมาเองเรามีร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับเข้าใจไหมพ่อแม่สร้างรถยนต์คันนี้ให้เราเป็นเหมือนของของขวัญของขวัญวันเกิดเกิดมาก็ได้รถยนต์คันนี้คือร่างกายอันนี้ ให้เราขับพาเราไปไหนมาไหนอยากจะไปดูอะไรอยากจะไปฟังอะไรอยากจะไปทำอะไรก็ต้องมีร่างกายพาไปผู้ที่ขับร่างกายนี้ก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มีความรู้สึก ผ, ผู้นี้เราเรียกว่าใจหรือจิตเนี่ยผู้นี้แหละที่มาเกิดใหม่มาได้ร่างกายใหม่ พราว่าร่างกายอันเก่ามันหมดสภาพมันตายไปก็เลยต้องหาร่างกายใหม่เหมกับเราใช้รถยนต์พอรถเก่าพันพังไปเราก็ต้องไปตามศูนย์าตามศูนย์ที่ขายรถยนต์เลือกซื้อรถยนต์ตามกําลังเงินของเร า, เามีเงินมากซื้อรถที่ราคาแพงได้ มีเงินน้อยก็ซื้อรถที่ราคาไม่แพงคนที่มาเกิดที่จะได้ร่างกายดีไม่ดีฐานะดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ทำไว้ถ้ามามาจากอบายหลังจากไปใช้บาปแล้วก็จะมาแบบขอทานก็จะซื้อรถดีๆไม่ได้อย่างมากก็มือสองซื้อรถมือสองมือสาม แต่ท้าลงมาจากสวรรค์พวกนี้เป็นเศรษฐีบุญมีเงินเยอะมาถึงก็เลือกซื้อรถใหม่เอี่ยมรุ่นล่าสุดราคาไม่เกี่ยงชอบรุ่นไหนแบบไหนซื้อได้เลยอันนี้ก็เป็นผลของบุญผลของบาปที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทําอยู่ในแต่ละภพแต่ละชาติพอร่างกายที่เราใช้ เป็นเครื่องมือตายไปเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนพอใช้บุญใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาหาซื้อร่างกายอันใหม่ถ้าบุญพามาก็ได้ร่างกายที่ดีอย่างเจ้าชายสิทธัตถานี่ก่อนหน้านั้นก็เป็นพระเวชสันดรทำบุญแบบมาหาบุญไม่มีใครจะเปรียบเหมือน มีอะไรขคอยากจะได้อะไรให้ได้ให้หมดเลยแม้แต่ลูกแต่อะไรก็ยินดีให้ไม่หวงเพราะว่าใจเชื่อในอนิสง์ของบุญที่ได้ทำปัจจุบันเวลาทำบุญก็มีความสุขใจเวลาให้เวลาเสียสละเวลาแบ่งปันในี้ใจจะมีความสุข แล้วมันก็สะสมไปเป็นบารมีเป็นทานบารมีพอร่างกายตายไปก็ไปรับผลบุญไปเกิดบนสวรรค์ไปสวรรค์ก็เหมือนกับเราได้รางวัลไปท่องเที่ยวไปต่างไปต่างประเทศพอเที่ยวเงินหมดแล้วก็กลับมาทำงานใหม่หาเงินใหม่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างนี้พระเวชสันดรก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ แล้วก็มีบุญเก่ามาเสริมให้ออกบวชได้เพราะท่านไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีมากมีน้อยท่านยินดีสละเพื่อประโยชน์ที่สูงกว่าเงินทองนี้มีประโยชน์แต่การออกบวชนี้มีประโยชน์มากกว่าเงินทองเพราะเงินทองซื้อนิพพานไม่ได้แต่การบวชนี้ทำให้หลุดพน้นทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าจึงไม่เสียดายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพอถึงเวลาที่จะต้องไปท่านก็ไปได้อย่างง่ายดายไม่เคยคิดถึงมันเลยแม้แต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะที่ออกไปไปสวนทางกับขอทานขอทานเห็นทั่วสวยก็ขอเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้เพราะท่านกับชอบเสื้อผ้าของขอทานเพราะมันไม่ต้องดูแลรักษาลํำบาก เสื้อภ้าของเจ้าชายนี่มันวิจิตพิสดารเปื้อนง่ายเสื้อผ้าของขอทานนี่มันมันเปื้อนอยู่แล้วทำไงมันก็เปื้อนอยู่แล้วนั่งกับดินกินกับทรายมันสบายั่นก็เลยดีใจมีคนมาขอเปลี่ยนก็ยกให้เขาไปเลยนี่แหละอันที่สองของคนที่ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆคนที่ยึดติดกับบุญกุศลจะเป็นอย่างนี้ จะไม่ค่อยหวงไม่ค่อยหวงกับสิ่งต่างๆเพราะความหวงความห่วงกับสิ่งต่างๆนี้มันเป็นทุกข์เป็นอกุศ ล, ลการทำบุญการเสียสละการแต่งปันนี้มันเป็นกุศลทำแล้วใจสงบใจเย็นใจมีความสุขนี่คือการปฏิบัติขั้นแรกของผู้ที่ต้องการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ต้องไม่ยึดติดในวัตถุต่างๆที่มีอยู่ให้มีไว้พอกินพอใช้ก็พอถ้ามีเกินนั้นก็อย่าเอามาใช้ให้เกิดกิเลสเพราะว่ามันจะทาให้เราติดเช่นเอาเงินไปเที่ยวเที่ยวแราวมันก็ติดมันก็จะต้องเที่ยวอยู่เรื่อย เ, อ, ยเอาเงินไปช้อปปิง้งมันก็จะต้องไปช้อปปิ้งอยู่เรื่อยๆข้าของเต็มบ้านล้นบ้านมันก็ยังช้อปอยู่นั่น เห็นกระเป๋าใบาใหม่ก็อยากจะได้<ม>เห็นรองเท้าคู่ใหม่ก็อยากจะได้ทั้งๆที่เท้าก็มีอยู่คู่เดียวเวลาใส่ก็ใส่ครั้งละคู่เดียวแต่มีเป็นสิบสิ บ, สบคู่เนี่ยมันทำให้เรามาเสียเวลากับเรื่องไร้าสาระเห็นที่จะเอาเวลามาตัดตันหากิเลสต่างๆที่เป็นตัวผูกเราให้ยึด ใ, ให้ติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ไม่มีวันที่จะไปทำได้เพราะเราถูกมันดึงเอาไว้ด้วยความอยากในวัตถุต่างๆนอกจากวัตถุแล้วก็ยังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรต่างๆเวลารับประทานเวลาดื่มก็สุขแต่มันสุขเหนียวเดียวพอพอเสร็จแล้วมันก็หายไปเหมือนควันไฟปล่อยให้เหลือแต่ความอ้างว้างความหิวความอยาก ที่จะต้องไปหามาดูมาฟังมาดื่มมารับประทานใหม่ถ้าไม่ตัดสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันที่จะตัดปิเนไหลตัญหาตัวที่ฉุดลากให้เราไปเวรว่าตายเกิดได้คือตัวแรกที่เราต้องตัดให้ได้คือกามาชันท่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสการจะตัดมันก็ต้องใช้ศีลแปดช่วยเรายังไม่มีกำลังก็ต้องอาศัยศีลแปด ถ้าเรามีศีลแปดเราก็จะได้ห้ามใจเราได้ว่ า, าทำไม่ได้นะเช่นวันนี้วันพระมาถึงศีลแปดกันตอนนี้นอนกับแฟนไม่ได้นะหลังจากเที่ยมวันไปแล้วกินไม่ได้แล้วนะห้ามเปิดทีวีห้ามดูหนังฟังเพลงห้ามไปเที่ยวตามและสถานบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงวันเกิดวันคืดวันแต่งงานของใครก็ไปไม่ได้แนละ้วห้ามออก แล้วก็ห้ามแต่งตัวสวยๆงามๆเีเวลาแต่งเวลาเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องถอดมันทิ้งอยู่ดีเวลานอนแล้วก็นอนก็ให้นอนบนพื้นไม้แข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกนานาๆเพราะมันจะนอนมากเกินไปร่างกายมันต้องการพักเพสี่ห้าชั่วโมงถ้านอนบนไม้แข็งเวลามัน ว่วงว่วงมากๆมันเหนื่อยมากๆมันหลับได้แล้วพอมันพักเป็นที่สี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วพอมันรู้สึกตัวว่ามันนอนบนไม้แข็งมันก็ไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งไหว้พระสวดมนต์ไปเดินจงกรมถ้านอนบนฟูกหนาๆมันสบายตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะลุกนอนต่อนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมง เวลาที่จะได้เอามาทำใจให้สงบมาสร้างความสุขที่แท้จริงก็ไม่ได้ทำก็จะต้องติดอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายพอเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายงั้นตอนนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรีบมาสละ รีบมาเลืิกหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วมาหาความสุขผ่านทางธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าคือสติสมาธิปัญญานี่คือทันต้นของการปฏิบัติทาทานเพื่อที่จะตัดการไปยึดติด ก, กับความสุขทางทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วจะได้มารักษาศิ้นแปได้รักษาศิ้นแปได้ก็ไปอยู่ที่วิเวกอยู่คนเดียวได้ อยู่ที่คนเดียวก็จะได้มีเวลาควบคุมความคิดอถ้าไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็อดชวนกันคุยไม่ได้คุยกันแล้วมันก็ฟุง้งมันไม่สงบคุยไปแล้วเดี๋ยวความอยากก็เกิดเดี๋ยวก็อยากกินนูน่นกินนี่นั่งคุยกันเดี๋ยวก็ไปเอากาแฟมาดืม่มเอาขนมมากินก็เลยไม่ได้ไปนั่งสมาธิไม่ได้ไปเดินจงกรมผู้ที่ต้องการความสงบ ความสุขทางใจนี้ต้องตีกไวเวกอยู่คนเดียวแล้วต้องมีวินัยบังคับตัวเองให้ทํางานที่ต้องทําพวกที่ยังต้องไปเข้าค่ายอยู่ก็เพราะว่ายัางไม่มีวินัยต้องไปปฏิบัติหลักสูตรสามวันเจ็ดวันให้เขาเต้อนเหมือนวัวควายถึงเวลาตื่นก็ปุกถึงเวลากินก็กินถึงเวลาเดินก็เดินแสดงว่ายัางไม่รู้หนึ่งยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติ สอไม่มีวินัยบังคับตัวเองพอกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมไปอยู่เ่ากี่วันพอกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมไปก็ไม่ได้อะไรได้แค่ขณะที่อยู่เท่านั้นเองพอกลับมาบ้านก็ไม่บังคับตัวเองทําต่ อ, อเพราะหนึ่งที่บ้านก็บรรยากาศไม่เอือ้อไม่อํานวยเพราะคนที่บ้านมีแต่ทํากิจกรรมที่มันทวนกระแสกับการปฏิบัติ ผู้ที่ต้องการได้กรอบกรรมในการปฏิบัติก็ต้องออกบวชถึงจะได้จะได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ชักเข้าชักออกไปวัดที่สามวันกลับมามาอยู่บ้านอีกเดือนหนึ่งแล้วค่อยกลับไปใหม่มันก็ชักเข้าชักออกถ้าปลูกต้นไม้ก็ปลูกสามวันก็ถอนมันขึ้นมาเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่อกเอามาลงดินใหม่ต้นไม้ไม่มีวันที่จะโตจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ต้องปลูกแล้วก็ปล่อยมันเลยให้รากมันแผ่กระจายไปมันจะได้ดูดซืมอาหารได้อย่างเต็มที่มันจะได้เจริญเติบโตการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็แบบนี้รากของธรรมะมันจะแผ่มันจะกระจายสติมันจะกระจายไปทั่วทุกระยะเลยทั้งวันทั้งคืนถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆนี้ต่อไปมันจะไม่เผลอแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็สงบ แล้วพอมันสงบมันก็จะมองเห็นธรรมเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากเห็นโทษเห็นของความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั่นเป็นสุขเพราะเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นแต่ว่ามันดีมันดีได้มาแล้วมันจะให้ความสุขกับเราพอมันหายไปก็เสียอกเสียใจร้องหหยร้องไห้เพราะไม่คิดว่ามันจะจา ก, จากเราไป คิดว่าได้อะไรมาแล้วจะต้องเป็นของเราอยู่กับเราไปเสมอนี่คือความหลงไม่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องทุกข์ทรมานใจถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานใจก็อย่าไปได้มันมาอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีนะ่ะดีที่สุดถ้าไม่มีอะไรแล้วมันจะมีอะไรต้องเสียแร้วเปล่า ถ้าไม่มีแฟนแล้วจะเสียแฟนไปหรือเปล่าไม่มีทรัพย์จะเสียทรัพย์ไปหรือเปล่านี่มันมีอะไรมันก็ต้องเสียเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยลมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีสิ่งเดียวที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือความว่างเราทำไรมีอะไรกับใครที่ไหนพอกลับมาบ้านก็อยู่ว่างคนเดียวแลนะ้วหนีความว่างให้ทนอยู่กับมันดีกว่าอดอยู่กับความว่างให้ได้ อยู่กับความว่างได้แล้วจะไม่ผิดหวังว่าะจะมีความว่างเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาวิธีที่อยู่กับความว่างได้ก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากก็ต้องใช้สติหยุดความคิดทำใจให้สงบพอใจสงบมันก็จะอยู่กับความว่างได้อยู่พระพุทธเจ้าพราอหัท่านมีอะไรเหมือนพวกเรามีกันหรือเปล่ารบลาบ้านช่องท่านมีกันหรือเปล่าท่านมีแค่แค่อัตาบ ร, ริคับ สมบัติแปดทิ้นไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายทั้งเองแล้วถ้าเลี้ยงดูไม่ได้ท่านก็นไม่เดือดร้อนะร่างกายนี้ท่านก็พร้อมที่จะส่งมันไปไ ป, ไปสื่อสารได้ทุกเมื่อเพราะสําหรับท่านมันเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์แต่ที่ท่านยังเลี้ยงดูมันเพราะว่ามันยังเอามาทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นี่ถ้าไม่มีร่างกายพระเจ้าจ ะ, สะแสดงทําให้พวกเราฟังได้อย่า พอหลังจากพระพุทธเจ้าตายไปก็หมดไม่สามารถแสดงธรรมได้แต่อย่างน้อยพระุเจ้าได้สร้างสร้างผู้ที่จะมาสืบทอดต่อสร้างพระอาหารหันต์ไว้ต่อพระอาหารหันต์ก็เลยมาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าเอาธรรมะนี้มาสั่งสอนสั่งสอนกันเป็นทอดๆมาจนถึงปัจจุบันนี้พระอาหารหันต์ก็สอนคนที่ไม่เป็นสอนไปรรดาเขาปฏิบัติแล้เวเขาก็เป็นเราก็เป็นแล้วก็ไปสอนต่อสอนต่อไป จนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของร่างกายท่านยังไม่หลังจากที่ท่านศัดสร้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังไม่ได้ไปทําลายร่างกายเพราะร่างกายมันยังมีคุณมีประโยชน์ไม่ได้เป็นกับตัวท่านเองก็แต่มันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเพราะท่านก็คิดว่าผู้อื่นก็เป็นหัวอกเดียวกันเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนคนอื่นเป็นคนที่ติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตาย คนที่ยังติดอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้ท่านหลุดแล้วท่านก็เห็นคุณประโยชน์ของธรรมของมูธเจ้าท่านก็เลยเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ที่ยังไม่ได้หลุดจะได้หลุดกันผู้ฟังแล้วท่านเชื่อศรัทธาแล้วก็มีความแน่วแน่แนต่อการปฏิบัติก็สามารถที่จะทาให้ตนเองหลุดพ้นได้ การหลุดพ้นนี้มีมาทุกยุคทุกสมัยสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วไม่มีขาดตอนเพราะมีการเผยแพ่มีการสั่งสอนแล้วก็มีการฟังมีการนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลก็ต้องปรากฏขึ้นมาฟังอย่างเดียวไม่พอฟังแล้วไม่ไปปฏิบัติก็เหมือนได้เลกมาแล้วไม่ไปซื้อ นี้คนตาดีก็บอกวันนี้จะออกเลขนั้นเลขนี้ให้เลขมาแล้วไม่ไปซื้อมันก็ไม่ถูกใช่ไหมถ้าไปซื้อมันก็ถูกนี่ก็เหมือนกันทุตเจ้าให้เลขมาแล้วเลขปณิพานคือเลขศูนย์ให้ไปอยู่กับศูนย์อยาไปอยู่กับอะไรก็ไม่ไปซื้อเลขศูนย์กันชอบไปเลขซื้อเลขหนึ่งถึงเลข9กันมันก็เลยไม่ถูก่ใช่ไหมซื้อเลขศูนย์ใช่ ศูนก็คือไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีที่ดาม่มีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองอยู่แบบขอทานนั่นแหละคือศูนย์ถ้าทำแบบนี้ได้แล้วนิพพานมันก็จะมารางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นของเราเั้นพยายามทำตามที่เจ้าสั่งสอนเงินทองอย่าเก็บไว้ใช้กับกิเลสเอาไปทำบุญดีกว่าถ้าเราหักห้ามใจเราไม่ได้ ก็มีเงินใกล้มือแล้วเดี๋ยวกิเลสมันจะมาหลอกนะไอ้นั่นก็นดีไอ้นี่ก็ดีเดี๋ยวคนวนั้นก็ชวนไปเที่ยวที่ น, นั่นที่นี่เนี่ยช่วงเนี่ยเดี๋ยวช่วงช่วงอะไรช่วงกระถินนี่ก็จะอ้างกระถินเป็นที่เหตุไปเที่ยวกันส่วนย่างไปเที่ยวกันมากกว่าต้องถามก่อนไปทอดที่ไหน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ถามวัดไหนไปเที่ยวจังหวัดไหน <c oughs> ถ้าจังหวัดที่เคยไปแล้วก็ไม่ไป <c oughs> อันนี้ไม่ได้ไปทาบุญหรอกไปทำกิเลสขนะ้นั้นนะไปทำตามกิเลสไอ้ตัวนี้นะมันตัวที่มันจะทำให้เราต้องอติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิเงินนี้มันเป็นสะพานเชื่อมพอมีเงินแล้วมันก็ทำตามคำสั่งของกิเลสได้ถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้ใครจะมาทวนไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านก็อยู่วันอยู่กับที่อยู่กับที่ก็จะได้ภาวนาได้ นี่คือปัญหาเรื่องเงินทองถ้ามีมากเกินความจําเป็นมันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาเครื่องมือของการก่อภพก่อชาติเราต้องอย่าให้มันเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีกําลังที่จะควบคุมบังคับใจเราไม่เอาไปใช้ไปในทางของกิเลสตัณหาได้ก็เอาไปทําบุญเฉยๆทั้งหมดเอาเก็บไว้พอสําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ นี่คือทานนทานนี่คือความหมายของการทำทานทำทานได้ก็จะได้รักษาศินได้เพราะเราไม่โลภอยากจะมีเงินมากก่อนเยี่ยงโลภอยากมีเงินมากจะรู้สึกรักษาศิลนลำบากคามาค้าขายถ้าไม่โกหกเราจะขายไม่ได้กำไรน้อยถ้าโกหกแล้วมันจะกําไรมากขายได้มากขายได้เร็วแต่คนที่ไม่ต้องการเงินทองแล้วก็ไม่ต้องโกหกไม่ต้องทําบา ก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศินแปได้เพราะว่าดัดความอยากในการที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆ mm hmm. ก็จะถือศินแปดอยู่วัดได้แล้วก็จะมีเวลาภาวนาพอภาวนาจิตสงบก็มีความสุขมีความอิ่มใจมีกําลังที่จะต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆพอพิจารณาเห็นสิ่งที่ตันหาอยากได้ว่าเป็นทุกข์ก็จะได้ไม่ mm hmm. ไม่ไปทา ถ้าเห็นว่ามันเป็นยาพิษเราจะกล้าไปหยิบมากินหรือเปล่าแต่เราไปคิดว่ามันเป็นขนมเห็นแล้วก็อยากจะกินกิ น, กนแล้วก็ติดติดแล้วเวลาไม่ได้กินก็ทุกข์ปัญหาอยู่ตรงนั้นให้เห็นความจริงคันงนี้แล้วมันก็จะตัดตัณหาความอยากได้มันก็จะอยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้อยู่กับความสงบถ้าอยู่กับความสงบได้อย่างตลอดเวลาก็เป็นนิพพาน นิพพานปรมังสุอย่างนิพพานคือความว่างอย่างยิ่งความว่างคือไม่ต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจใจที่มีความว่างนี่แหละใจที่มีความสุขนิบานังปรมังสุขขังความสุขที่เกิดจากความว่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเพราะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนความสุขจากการเป็นมห า, าเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์มันมีวันหมดนะ แต่ความสุขจากการที่มีแต่ความว่างเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจนี้จะไม่มีวันหมดจะมีไปตลอดเวลาจนบัดนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับความว่างอยู่พระอาหารหันตสาวกคูบาจารย์ที่เรากราบไหว้บูชาจิตใจของท่านก็ยังอยู่แต่ท่านอยู่กับความว่างอยู่กับนิบบานังปรมังสุญญงนิบบานังปรมังสุขขังท่านไม่ต้องมาอยู่กับเบิร์นพวกเรา อยู่กับราบยุศเสริญสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเวลาเสื่อมก็ร้องห่มร้องไห้กระโดดตึกตายข้าตัวตายกันแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาหาราบยุศเสริญใหม่วนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับคํำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดจั t h าที่จะน้อมนำมาปฏิบัติอย่างจรงิงจังถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วเดี๋ยวก็ได้บรรลุก็คิดว่า พูดทำแบบเบาๆพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วถ้าใครอยากจะถามอะไรต่อที่หลังก็ถามได้เดี๋ยวขอให้พรก่อนนะยาถาวาริวาาปุราปาริปเรนติสักลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดระเมวาสมิชจตุ สัพเพปุลังตุสังกปาจันโทปัญญระโสยทามณิโชติอาโสยทาสัพพิติโยวิวัจจัตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขิทีขายุโกภวาอภิวาธนสีลิสดิจังมุทตาปัจจั อินจัตารงธรรมวทานติอายุวนโนสุขังภาลางอะมื่กี้กายอยากจะถามอะไรพระอาจารย์ครับผมจักน้ององมีคนเมื่อตอนเขาเด็กๆนะครับเขาเหมือนละลึกชาติได้ครับพระอาจารย์เขาพึ่นพู้ได้เขาบอกคนเนี้เป็นสามีเขาแล้วพ่อแม่เขาก็พาไปดูแล้วก็จริงเลยนะครับ เพีงเหมือนที่เขาพูดผมก็เลยคิดเอ๊ะแสดงว่าบุญรับางกรรมของเด็กที่หญิงคนเนี้ยเขาก็ลาน <Yeah. S 2> ยังมาดีหรอครับทำไมเขาเขาเขากรรมเกิดเป็นม น, น, นุษยได้เร็วจังอ่ะก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบุญก็ไม่มากพอที่จะเดึงไปสาวรรค์บาปก็ไม่มากพอที่จะดึงไปอาบายบุญกับบาปเท่ากันก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วแล้วพอกลับมาเร็วมันก็จะจําได้นนั่งแต่บางคนถึงแม้ว่าจะกลับมา หลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วก็ยังระลึกชาติได้ก็มีแต่ว่าจะไม่สิ่งที่ระลึกอยู่นี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้ทน่รเลึกว่าชาติก่อนได้เป็นเศรษฐีได้เป็นขอทานได้เป็นดาราเนได้เป็นแมวได้เป็นสุนัขอะไรก็ระลึกได้เพราะ ผ, ผู้ที่ไปมาเกิดเหล่านี้ก็คือผู้ที่ระลึกนี่เองคือใจ ใจก็เป็นเหมือนตัวละครว่าชาติก่อนได้เล่นเป็นพระนาลายมาหลาลาศ่นี้ได้เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรืออะไรก็อยู่ที่ตัวใจนี่มันก็จําได้แต่การระลึกหรือจำรายละเอียดเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้ใจเราหลุดพ้นได้เป็นความสามารถพิเศษถ้าเราไปหลงคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นเราก็จะหลงทาง เพราะการคิดจําอะไรได้นี้มันไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เราหลุดได้การที่จะทำให้เราหลุดต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกจะได้หยุดความอยากที่จะได้ทุกสิ่งทุกอ ย, ากออย่างลอจะเข้าใจน ะ, ะ, ะมีอะไรแล้วถามมาคิงอย่างว่าร่างกายเราปอะกอบด้วยธาตุดินน้าลงไป ก็ <sk ills> ดินน้าำแต่วมกับไฟไม่เหมืพูดถึงแล้วไม่ค่อยจไม่เข้าใจคำว่าอาการสัมพัทปกติคําว่าอาการเนี่ยจะเป็นอาการเจ็บอาการปวดจะเป็นอาการของผมอาการของอันนี้ไม่เข้าใจคําว่าอาการนี่หมายถึงสิ่งที่มีเป็นประกอบของร่างกายคําว่าอาการมันมีความหมายหลายอย่างไลเราไปเข้าใจว่าอาการต้องเป็นอาการเจ็บอาการปวดแต่คําว่าอาการก็คือ เป็นสิ่งที่ประกอบของร่างกายส่วนประกอบของร่างกายก็เป็นอาการเหมือนกันผมนี่ก็เป็นอาการหนึ่งขนก็เป็นอาการหนึ่งนี่เราไม่เข้าใจคาหมายของอาการเข้าใจไหมคราวนี้เข้าใจแล้วยังอาการสามสิบสองก็คือของสาสิบสองชิ้นที่มีอยู่ในร่างกายเนี่คืออาการสาสิบสองผมก็เป็นชิ้นหนึ่งขนก็เป็นชิ้นหนึ่งเล็บก็เป็นชิ้นหนึ่งฟันก็เป็นชิ้นหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่ง เก็บอกว่าคำว่าอาการมันมีหลายความหมายแม่พูดแค่นี้ไม่เข้าใจเลยมันไม่จะมีความหมายอันเดียวออันนี้มันอาการของหมอเขาตรวจโรคมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นั่นก็เป็นอาการความหมายอย่างหนึ่งความหมายของทางทำนี่ก็ก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอาการเป็นเป็นลักษณะของสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็เรียกว่าอาการสามสิบสองอาการ เข้าใจไหมเขาก็จะก็จะไปลมกับไฟไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับลมกับไฟก็มีไงลมก็หายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาคแต่ว่าไม่ใช่อาการหรอครับไม่เป็น m า n t ที่เข้ามาเป็นตัวประกอบให้มีอาการนี้ขึ้นมาอาการนี้มีได้ก็เพราะมีดินน้ําลมไฟมาผสมกันถ้าร่างกายนี้ไม่กินดินเข้าไปไม่ดื่มน้ําเข้าไปไม่หายใจเอไม่รับแสงแดด ความร้อ น, อนจากแสงแดดมันก็เ ต, ติบโ ต, ตขึ้นมาไม่ได้มันก็จะมีผมขนเล็บฟันขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับศาลาหลังนี้ถ้าไม่มีไม้ไม่มีสังกสีมันก็เป็นศาลาขึ้นมาไม่ได้มันต้องมีไม้มีสังกสีมาประกอบกันเป็นยาปันเป็นศาลานี้ขึ้นมาร่างกายนี้ก็ต้องมีดินน้ำลมไฟที่ผ่านมาทางอาหารผ่านมาทางน้ําดื่มผ่านมาทางลมหายใจ อ่นมาจากความร้อนของอุณหภูมิรอบตัวเรามันจึงทําให้ร่างกายนี้อผลิตอาการ32ต่างๆขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องอาจารย์ได้ยังร่างกายนี้เป็นเหมือนโรงงานผลิตอาการ32าส่วนวัตถุดิบก็คือดินน้ํำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปนี้ก็เป็นวัตถุดิบข้าวมันมาจากไหนเนี่ยข้าวมันก็มาจากดินเนี่ยดินด้วยแล้วก็มีน้ําด้วยมันถึงจะโตขึ้นมาได้ มันก็มีน้ําส่วนผสมอยู่ในนั้นนะไฟด้วยเหมืนอนนี้โตได้เวลากินอาหารเข้าไปแล้วร่างกายร้อนนะเหงื่อแตกเนะี่กินเข้าไปเพราะอาหารก็อาหารก็มีความร้อนด้วยเราปรุงอาหารมันก็มีความร้อนมีไฟเนอะมันก็อะไรเข้าไปทําหล่อเลี้ยงให้ร่างกายนี้มันมีอุณหภูมิออุณหภูมินี้ก็คือความร้อนไฟธาตุไฟเวลาคนตายอุณหภูมิหายไปแล้วในชะ่ไอมธาตุไฟหายไปแล้ว แล้วถ้าทิ้งไว้ต่อไปธาตุน้ามันก็จะไหลออกมาแล้วถ้าทิ้งไปนานๆเข้ามันก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปส่วนธาตุลมก็คือกลิ่นที่ลราเหยอออกมาดินน้ำลมไฟก็คือร่างกายนี้เองพอมีอาการสามีสองมาเกิดเป็นลูกคนนั้นคนนี้ก็เลยติดสมมุติหลงสมมุติกันไปว่าเป็นนายกรนายขอเป็นหญิงเป็นชาย เป็นลูกของพระราชามาหาการสัตว์เป็นลูกของเศรษฐีเป็นลูกของขอทานแต่ทั้งหมดมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมอาการสารสองเหมือนกันหมดมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดแล้วเวลาตายไปมันก็กลับไปหาดินน้ำลมไฟกันหมดห น, หนี่พิจารณานี้เราจะได้รู้ว่าเราไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่เราเอามาขับพาเราไปทาอะไรต่างๆพอมันเสียก็ต้องทิ้งมันไป แล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ก่อนจะไปเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนถ้าไม่มีถ้าบุญกับบาปมันเท่ากันก็มนไม่ต้องไปก็กลับมาเกิดใหม่เลยอเข้าใจยังตัวปัญหาไม่ใช่ร่างกายตัวปัญหาคือใจที่ไปดองยึดติดกับร่างกายแล้วก็ไปทุกข์กับมัน คือใจเนี่ยไม่มีความว่าผู้หญิงผู้ชายใช่ไหแต่การเกิดเนี่ยมีผู้หญิผู้ชายคือคนโบราณเขาจะใจมันมีใจมันชอบผู้หญิงมันก็เป็นผู้ชายใจมันชอบผู้ชายมันก็เป็นผู้หญิงอะไรนอานะออจามันมีความชอบกับความไม่ชอบมันก็เลยทําให้ไปได้ร่างกาย ตรงกันข้าวกับสิ่งที่มันชอบถ้ามันชอบผู้หญิงมันก็ได้ร่างกายผู้ชายนอกจากเวลามันมันอาจจะมีอุบัติเหตุมันชอบผู้ชายแต่มันไม่ได้ร่างกายผู้ชายเข้ามือนอะไรต้องไปเป็นกระเทยคือจะกลับไถามต่อค่ะว่าทําไมผู้ชายบางคนที่เกิดมานี่คือโอกาสที่ได้บวชเป็นพระอย่างนี้นะคะ แต่กับทําในสิ่งที่ก็มันไม่ชอบเป็นพระมันก็ไม่ได้บวชใช่ไหมเป็นคนที่ไม่ค่อยดีแบบเป็นก็น่าเหรอผู้ชายทุกคนจะเป็นพระที่ไหนคนที่จมาเป็นพระเป็นทีมีน้อยมากแต่ยายมันชอบกีเลศมากกว่าชอบทำทําไมก็ไม่บวชนะเพราะคนยังชอบกีเลศอยู่นะชอบดูเสียงกลิ่นต้นกลิ่ ราไม่บวชพอมาบวชแล้วมันชอบไม่ได้นะต้องเลิกชอบในการมาบวชก็เพื่อเลิกชอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ชอบความว่างเพียงอย่างเดียวเพราะความยากไม่มีทวามความว่างไม่มีโทษเพราะมันไม่เสือ่อมมันไม่หมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดไม่ยากไหอย่าไปชอบสิ่งที่มันจะต้องหมดเพราะเวลามันหมดเราจะเสียใจเสียใจหรือเปล่า เอให้เห็นทุกอย่างไม่เที่ยงมันจะได้ไม่ชอบมันไม่เที่ยงมันก็ต้องทุกข์ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมอย่าไปเทียว่าอะไรเป็นของเราเดี๋ยวจะผิดหวังเดี๋ยวมันจะจากเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็จะตับความชอบความอยากได้นมันก็จะค่อยๆหายไปกลายเป็นอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไร อยู่แบบพระพุทธเจ้านี่ก็เฉพาะเลี้ยงดูร่างกายเท่ า, านั้นตามมัตภางเลี้งได้ก็เลี้ยงมันเลี้ยงไม่ได้ก็จบแต่จใจไม่จบใจก็อยู่ต่ออยู่แบบไม่ชอบอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่กับความว่างเลยไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายมันก็จะเป็นเชือะไรกานเกิดภบชาติกับกว่ า, วาจนกว่าจะจะเข้าสู่คือความว่างได้เต็มที่กว่าจะหยุดความชอบทุกอย่างได้เต็มที่ มีอะไราถามไหมันบอกว่าแค่เกิดเห็นความกลัวนละเราจอยู่กอบมความกลัวเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งที่เรากลัวนั่นเป็นตัวเราของเราร่งางกายนี่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็กลัวไม่อยากจะให้มันตายไม่อยากให้มันเจ็บทีนี้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะหากลัวเห <c oughs> มือนร่างกายของคนอื่นเราไปกลัวแทนเขาหรือเปล่า <c oughs> ใช่ ัก็เ ร, เ, เ, เรารักตัวกลัวตายเรายังรับเธอยังไม่อยากตายมันก็เลยกลัวแต่ถ้าเรารู้มันต้องตายแล้วเรายอมรับมันก็จะไม่กลัวต้องตายก็ตายถึงเวลาต้องตายให้มันตายไปถ้ามันยังไม่ตายก็อยู่อีกคำถามได้ไหมคะเป็นีิยมได้อ่านหัวข้อนี้มาค่ะคือ สังขารสามนีกายมันมีอ่ตัวที่ยัไงไม่เข้าใจคำหมายของบอยางีครับเพรา อ, อย่ามาถามเราอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันไปถาม Google ดีกว่าไม่ต้องไม่รู้มันหรอกไ่รู้แค่ตายแล้วก็พอรู้ว่านิจังทุกครั้งนัาตาเราพอ รู้ว่าร่างกายไม่เป็นอะไรนี่จังทุกขังหน้าตาแล้วปล่อยมันให้ได้นั้นก็พอรู้มากก็เป็นเขาเรียกปัญญาท่วมหัวตัวไม่รอดอยากไปรู้มันเลยพวกกับพิธรรมนี่ไม่ต้องไปเรียนเสีย <c oughs> เวลาเรียนทำเดียวสติตัวเดียวพอสร้างสติขึ้นมาให้ได้แล้วมันจะรู้ทุกอย่างเองพระาะไตรปิดกอยู่ในใจเราเนี่แหละเราไม่มองเข้าไปในใจไปดูพระตรพระไตรปีดกข้างนอกก็เลยงงงนี้ ตามดูปฏิบไต่พระไตรปิฎกในใจแล้วจะไม่งงจะรู้แล้วทุกอย่างที่พระเจ้าพูดนี้อยู่ในใจของเราทั้งนั้นแหละ ต, ต้องดึงใจกลับเข้ามาข้างในใจตอนนี้มันชอบออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายลองใช้พุโทโธดึงกลับเข้ามาดึงกลับเข้ามามาดูพระไตรปิฎกที่แท้จริงอยู่ในใจนี่เข้าใจน ะ, อ, ะอย่าไปเรียนมากเลยเรียนมา ก, มากแล้วก็เหนื่อยไปบ้าง เดี๋ยวจำไม่ได้อยู่ดีตอบไปแด้วเลยกสองสามวัก็กลับมาถามมาดูเห็นสองจริงนี่คแต่เห็นของจริงแล้วจะไม่ จ, จะไม่ลืม <c oughs> อยู่ในใจเรานี่ทั้งหมดอริยสัจสีนี่อยู่ในใจของเร า, <c oughs> า, า, าค่ะควันที่สิบเที่ผ่านมาขบับรถไปกับเพื่อนแล้วก็ชนคนตาย ตายก็ตายถูกไหมนะทำบาปมากไห <ละ S 2> มยอยู่ที่เจตนาหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นบาปไปกันไปกันสามคนแต่หนูไม่ได้เป็นคนขับอะค่ะเอ อ, อยู่ในบาปละคนตายทุกวันตอนนี้ก็มีคนตายแต่นหนูมีส่วนอยู่ในทําให้เขาเสียชีวิตส่วนไหนมาอยู่เกิดในโลกเดียวกันอะอยู่ในรถคันเดียวกันใช่ค่ะมันมีแบบว่ามันมีส่วนอมี มีส่วนทําให้เราเสียชีวิตเวลาล้วกลว่าหนูจะบาปมากหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมรเป็นเหตุสุสริสายอาจจะเป็นเหตุประมาทเลื่อชวนคนขับคุ ย, ยนะเขาเผลอไปขับคนตายชวนคนตายต่อไปก็ระมัดระวังอย่าไปรบกวนคนขับรถให้เขามีสติอยู่การขับเขัดหน้าปัดหน้าก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขา ก็อุทิศบุญให้เขาไปก็ลกแล้วกันทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขาหมดแล้วใช่ไหมหมดก็กลับได้แล้วละ่ะเด็กเป๊ะนั่นเลยนะ มีถามมาขนาดนอยู่ที่ไหนอยู่เชฟเหรออยู่ที่เชฟแล้วหลงได้ค่อย้วก็ขึ้นมานี่ก็ยังบนอยู่สองรอบภูเขอ่าไม่เป็นไรความพยายามดีเลยนวามสำเร็จดเนี่จะกลับหรือกลับแล้วกรุงเทพหรอต้องเดินข่้นาตามหรอหมออย่าคือจับคู่อยู่มาพักทีกแล้วอาจะไม่ได้ขึ้นไป ฝนตกหนักเลยฝนตกหนักฝนตกพรจัน์ไม่สบายเจ้าค่ะเถ้าฝนตกหนักล้วพูดไม่ได้พูดไได้ไม่ขึ้นมาตลอ้างเลยข้า้างอาจารย์คะระหว่างตัวเจตนาตัวสติอันไหนจะเจตนากับตัวสติคตัวคนละตัวอันไหนจะสำคัญกว่ากันคะสติสาคัญกว่าเคื่อ้งมีสติ สถิตหยู่ทุกอย่างได้ถ้าไม่มีสถิตก็หยุดไม่ได้อาจารย์ครับความอยากที่เวลาเรานั่งสมาธิอะแล้วอยากได้สมาธิเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับไม่ต้อ ง, งอยากเวลานั่งนี้ต้องไม่มีอะไรเลยต้องไม่มีอยากไม่มีอะไให้รู้อยู่กับพุโทโธรู้อยู่กับอารมณ์อย่างเดียว อย่าไปคิดปรุงแต่งถ้าอยากก็แสดงว่าคิดปรุงแต่งนะถึงแม้จะเป็นความอยากที่ถูกที่เป็นกุศลก็ไม่ควรตอนนั้นตอนนั้นต้องให้รู้เฉยๆรู้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดปรุงแต่งเอยอยากใช้มันสงบทำไมยังไม่สงบสักทีถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่สงบให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปอย่าไปคิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเอง กับกับสอบถามอีกคำถามครับคำที่ว่าศีลสมาธิปัญญาที่เราต้องมีเนี่ยครับศีลเนี่ยมาจากการที่เราศกษาแล้วสมาธิเนี่ยมาจากการที่เราต้องนั่งสมาธิอยาทราบว่าปัญญาตัวนี้ปัญญาตัวที่สามเนี่ยมันมาจากการที่เราต้องมีนั่งสมาธิใช้ไเรามีสมาธิก่อนถึงจะเห็นอริย hmm. สัจเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากเห็นเห็นว่าการจะอยู่ความอยากได้ก็ต้องมีความ เห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังนะครับตาช่เยดแบบว่าจะยอมหวยที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้เซิร์ชยูทูบส่วนใหญ่ก็จะฟังหลวงพ่อชาแล้วก็อยากฟังองค์อีกบ้านแล้วก็อยากฟังใคที่มารุธรรมในเทศในธรรมะที่ด้ลย ได้ท่านอาจารย์ศิชาแล้วฟังแล้วก็โยมก็เลยออกจากโรงพยาบาลมาซึ่โยมมีเวลาเหลือไม่มากก็เลยอยากจะมากราบแล้วะมอทำบุญด้ตัวโยนเองเดยที่ไม่ได้ดไรู้รายละเอียดว่าท่านเทศเมื่อไหรอะไรเมื่อไรเพียงแต่ว่าถ้าเรามีบุญพ อ, อก็เราก็คงจะได้ทำบุญกับท่านจ้ะค่ะ เัาซื้อซีดีไปได้นะเรอซีีไปได้น้องให้ใหผมไปดาวนโหลดมาํำลังฟังที่หลงยีบานดาวนโหลดก็ได้ในเฟซบุ๊กก็มีทุกวันนร ม, มาตามเฟซบุ๊กผมมาตามยูทูที่เราว่าจะหาเวลามาปฏิบัติที่นี่สักสี่ห้วันนะจ๊ะ นี่เป็นมาบรมที่น่าจะมาอยู่ทั้สมักก็ต้องติดตามที่ท่นานาวัปนุนกัน้ต้องปฏิบัติก็จะเห็นผลจะเป็นที่พึ่งของใจได้ใจจะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายถ้าไม่ปฏิบัติก็ยังจะวุ่นใจสงบแล้ว ความเจ็บปวดความทุกข์ของร่างกายยังไม่เป็ น, นปัญหาพยายามาายาายรักษาใจให้สะสาจใจพุโทโธพุทโธอยายาม ในโมนที่ทำคลื่องสติไปก็ทำไดเยอะเลยสติแล้วก็จะมีสบายที่ได้เห็นยาของทุกุปนนาของรูปเกิดขึ้นรูปคนในสติไปแล้วที่มันกับมาที่ลมใจก็รู้สึกว่าปล่อยวางปล่อยวางได้แล้วมันจะไม่ทุกข์ทไปเรื่อยๆนะทุกข์ไปกันเลยยัีอมไร้หรือเปล่า อขอรับหนังสือภาษาอังกฤษที่อาไปให้ลูกค่ะลูกเป็นชาวอะไรเลยแข่งกับชาติแคนาดาอยู่แคนาดาอยากให้ลุงนีได้ปฏิบัติบาต้างค่ะก็มาได้ทุกวันบ่ายสองโมงถ้าไม่ได้ติดเุลาที่อื่นก็เจอกันบ่ายสองโมงทุกวัน ถ้าสาวอาทิตย์ก็จะเทศยาวถ้าวันธรรมดาก็แบบนี้สาวอาทิตย์ก็เวลาบ่ายองอ่าเหมือนกันแต่คนจะเยอะคนจนเต็มไปหมดเต็มลานเลยแต่วันธรรมดาคนจะน้อยเรา่ได้งก็วันสัวันธรรมดาได้เพาะวันพระที่เป็นวันธรรมดาวันไหนก็ได้วันพระนี่ก็อย่างนี้บางทีก็เทศบางทีก็ไม่เทศบางทีก็คุยกันอะไร คนเนึเขาถามคุยบ้า้วพอแล้วไปีคนหนงเขารอยู่ศึกษาธนาจารค่ะพดีว่าเดี๋ยววันที่สามสิบมกราในกุงรีมันจะเปิดพิพิธภณ์นล้แต่แล้วเนี่ยยอยากจะทาหนังสือเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์จะวัยวหนตาจะเล่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วเราจะทำอะไรเราจะทำหนังสือ คล้องกับตรงนี้หนูว่าหนูจะทําคล้องกับตัวนี้แล้วก็จะเพิ่มพอประวัติไล่จบปั๊บเนีค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเทศนาของลุงตาแต่ว่าจะเรียนปรึกษาให้อาจารย์ว่าคืาาอเทศนาของลุงตาก็ดีทุกกันเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเรื่องยากเพราะมันมีเยอะมากแต่พื้นที่มันก็มีจากัดอแล้วเราจะเรียนถามปรึกษาทนอาจารย์ว่าคือจริงๆแล้วก็คือจะเรีนเรื่องจิตตะภาวนาค่ะเพราะว่าหลักหลักขอ ง, องตาที่ คือสอนลูกศิษย์มาก็คือเน้นตรงนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องอื่นเพียงแต่ว่าควรจะเอายุคไหนอะไรยังไงดีค่ะบรญญาวนสมาธิก็เป็นเป็นตัวที่สรุปคำสองท่านครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะปัญญาเวนสมาธิเนี่ยเป็นคือเสเป็นสากลประกาศเป็นภาษาอังกฤษแล้วต่างชาติทุกคนอ่านแล้วเข้าใจชอบกันทุกหลงค่ะบรญยาอบรมสมาธินะคะเอะค่ะ อันนี้เป็นหัวใจของของการปฏิบัติใดค่ะถีลสมาธิปัญญาท่านอธิบายอย่างละเอียดค่ะแล้วก็มีปัญญาอบรมสมาธิแถามมาให้ด้วยค่ะเพราะส่วนใหญ่เราจะคิดว่าต้องใช้พุทธโธเพียงอย่างเดียวถึงกำจายสงบแต่บางทีพุทธโทธข่มไม่อยู่ก็ต้องใช้ปัญญาข่มแทนถ้เรียกได้ว่าปัญญาอบรมสมาธิค่ะอถ้าอยากจะได้ หัวใจของคําสอนดวงตาก็ปัญญาองสมาธิเนี้่ยนี่นเน่เ็นหัวใ จ, วจเนื้อๆ อ, อะไรไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรเลยอธิบายศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงอภิจาราสมาธิเป็นยังไงตัปปนาสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงครบถ้วนบริบูรณ์อยนั้นเลยคค่่ะะอืเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกอะคือ เราจริงเห็นความเป็นอัลลาตาของประวัติหลวงปู่ม่านนะคะที่หลวงตาเขียนก็เลยตอนแรกพี่ว่าจริงๆเราก็อยากได้ลูกศิษย์ของตามาเขียนเขียนอย่างนั้นเขียนแบบที่แบบแคล้ายๆเหมือนคล้ายต่อต่อยุบกันนะคะแต่ในท้ายลูกศิษย์ก็มาเขียนแต่ั น, ไ ม, นไม่เหมือนกันเลยคือหลวงปู่ม่านนี่ไม่มออีไม่มีการจะด้วยคาสอนของท่านไว้คก็เลยต้องอาศัยคนที่มีธรรมระดับท่านที่จะมาพูดแล้วก็เอาธรรมนั่นมาสแสดงค่ะ ในปัจจุบันชีวิตของน้าตานี้ท่านแสดงทำมาเยะท่านเล่าประวัติของท่านไว้เยอ ะ, ะยงั้นทําแบบที่เขาทำมาเงี้ยถูกแล้วแหละหนังสือประวัติต่างๆนี่ไม่มีใครมากล้ามาเขียนเนี่ยก็ทําของเราไม่อยู่ในระดับที่จะไปเอาทำของท่านออกมาได้อาศัยทําที่ท่านเอาออกมาให้เราแล้วนั่นแหละก็ถึงไม่เขียนประวัติท่านไม่มีใครกล้าเขียนเงียมีแต่มารวบรวมกันท่านั<ะ>้นอย่างที่ทําเนี้ยก็ถูกแล้วชาต<ะ>ิสกุลเกิดเมื่อไหร่อะไรตามที่ท่านเล่ามาทุงอย่าง ค่ะ อ, อย่างนั้นดีแล้วแหละค่ะพระอาจารย์ไม่มีเสริมตอนช่วงอยู่กับหลวงตาเหรอคะเราเป็นศิษย์ยอยู่ห่างท่านเราไม่ได้เข้าใกล้ชิดเราเป็นคนนอกหาเลยคะพระอาจารย์อยู่ตั้งเก้าปีเก้าปีแต่อยู่มันก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่รู้จักกันต่างคนต่าอยู่ไม่เคยเข้าไปหาท่านที่กุติเลยแต่ท่านมาหาถึงที่นี่เลยนะคะพระอาจารย์ออยู่ที่กุติท่านก็มาหาเราที่กุติตอนนั้น ท่นให้เรานับหน้าที่ส่งหนังสือเวลาคนเขียนจดห ม, มายมาเวลาบางทีคนเขียนจดห ม, มายมาท่านอ่านเสร็จท่านก็เดินมาให้เราที่ปุติก็บอกว่าพิจารณาบางทีททนะเขียนไว้สองเล่ม น, นั้นเล่ม น, นี้แต่เราเป็นคนกลัวท่านอไม่เราไม่อยากจะเข้าไปหาท่านไม่อยากจะไม่มีธุระจําเป็นไม่อยากจะเข้าไปหาสื่อหรอกก็ฟ <laughs> ังดูตอนนึ้นก็ไม่เห็นมีใครเขาอยากจะเข้าไปทุกคน แล้วเท่ากายท่านเพรามันบังคับครั้งหนึ่งที่ต้องไปรับใช้ท่านับเพราะว่าปกติท่านมีขนตาที่มันแทงตาแล้วต้องตอนปกติต้องเป็นอาจารย์อินถวายเป็นคนถอนเพราะคนนื่นใจมันไม่นิ่งพอไม่มีใครกล้าคพออาจารย์อินถวายท่านไปทุ่ดดงก็ไม่มีใครกล้าท่ามาเรียออกเราไปคนเดียว <c oughs> เราก็ทําใจสู้เสือเอาวะก็ะไป ลำบากแน่ต้องนิ่งแล้วก็อาไรขีมนี่ไปที่ตาอยเงยดึงออกมาด้วยแล้วมือสั่นมากไหมครับแล้วไม่สั่นอ่ะเพราะเราเราคุมไว้อยู่ได้ถ้าสั่นมึก็ทาไม่ได้เลยเขาก็เลือกองถูกก็แล้วค่ะองอื่นนี่ค่ะจะแย่นะอาเพิ่งกลับมาจากวัดแล้วค่ะพอนาไม่ค่อยมือร์แล้วนะอาจารย์ เวทนายเยอะค่ะ ม, มันปวดขาน่าจานขาช่วงนี้เส้นเอ็นนี่จรที่มันปวดที่ใจมากคก่ะปวดถ้าใจไม่ปวดแล้วมันปวดขามันก็ทนได้ก็กตอนที่มั น, น, ม น, นปวดใจตอนที่มันทนได้ก็แค่ตรงนั้นนะคะเพราะอ้อมันก็แบบเดิม<ะ>ก็ต้องรักษาไปถ้ามันเป็นอะไรก็ต้องรักษาไปก็พยายามก็รักษาอยู่อะค่ะมันเป็นนานเพราะว่าพอเหมือนกับครั้งนี้มันก็เลยได้ข้อคิดที่ว่า เราใช้มันไม่คุ้มค่าค่ะอืเราใช้มันไปไปกับงานที่ไร้สาระองานนอกไม่ใช่งานพอพอต้องมาใช้กับงานจริงๆจริงจังแล้วมันก็มันเป็นภาษาขึ้นมาใช่ค่ะมันก็ท้อมันก็อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าปีนี้มันความแก่มันมาเร็วมากค่ะมันมาเร็วกว่าที่คิดเยอะอะไรเงี้ยคือแต่ละปีเวลาไปวัดมันเหมือนกับร่างกายเราแย่ลงแย่ลงอะไรเงี้ยแย่ลงไปเยอะอื การทนความหนาวหรือความอะไรยนี้มันแยกไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยะก็แบบเหมือนกับว่าเยที่ผ่านมาว่าพยายามก็บอกเี่ยที่ผ่านมานี่เสียเวลา ก, การใช้ชีวิตดูแล้วไร้สาระอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วมั น, ม, นมันไร้สาระทั้งนั้นแหละแต่มันมายากอะไนเ่ได้นะคะอาจารย์กิเลยมันยังหลอกให้เห็นว่าเป็นสาระอยู่ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสมบัติเป็นอะไรต่างๆที่ต้องดูแลรักษากันค่ะมันก็เลยไปไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้มองอย่างนั้นท่านมันบอกว่าเป็นของชั่วคราวเป็นอ น, นิจจังเ็นแต่เจ็บตายก็หมดแล้วจะเหมือนเราถ้าสติตอนมันปวดมากๆก็ผมือนกัว่าชีวิตก็ไม่อยากเอาอะไรแล้วก็วปล่อย เพราะว่ามันก็ไรู้มาจากอะไรได้นอาอะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปได้นอกจากธรรมรือกิเลสเท่านั้นเอากิเลสไปก็ไปเวียนว่ายตายเกิดเอาธรรมไปก็ไปนิพพานถ้ามีแค่นั้นนี่เราไม่มีธรรมมันก็เลยต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันต่อเวลาครูบาอาจารย์สอนท่านก็สอนง่ายๆนะคะแต่เวลาทําทํายากเวลาท่านก็บอกว่า เราเป็นคนมาสงสัว่าคาถามว่าทํายังไงยมชอบโมโหท่านก็บอกว่าก็อยากโกรธสิเราบอกมันต้องง่ายไม่อยากโกรธมันก็แต่ขั้นตอนมันมีเยอะเห<ะ>มือนต้องมีเครื่องมือมีสติมีสมาธิมีปัญญ า, ญามันถึงเห็นมันได้เราเห็นช่วงนั้นท่านจ่ายคนเยอะมากเลยนะคะมาวันนี้วันนี้ครั้งแรกเนยมันที่มันธรรมดาเนี่คนเยอะปกติก็มีแค่สองสามคนที่ห้าคน เชัาเที่ยงก็เทียบเลยเชาเทียก็รถเจ็ดสิบแปดสิบคันบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจันดังชุดไม่อยู่มันเยอะมากดัก็เหมือนเดิมล้วก็มานั่งคนคนเยอะหรือไม่เยอะเราก็ไม่รู้แหละ้วก็พูดใส่ไมโครโฟนไปแต่วเราออกไปเขาก็ชอบก็บอกว่าเออฟังแล้วบกง่ายดีนะฟังตรง ตรงดีแต่เวลาแต่ว่าจะทํ า, าทไม่ทําอีกเร่องนึ่ง <laughs> ปัญหาของคนสอนในวันนี้คนสอนเนองก็หลงไปหลงติดกับความรูม้มากมาไกยกองคิดว่ารู้ยิ่งรู้มากยิ่งยิ่มีธรรมมากควาจริงไม่ใช่หรอกความจริงรู้น้อยเนะี่ยมีธรรมมากมีสติตัวเดียวเนี่ยจยมีธรรมมากก็คุณแม่ก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ยัง<ม>อิจฉาเอกเฮ้ยทาไม อย่างทำไมเราไม่ชิดทํำไมเราชิคน้อยแบบเขาไม่ดีเลยคือเหมือนกับว่าเขาไปอะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็สั่งให้ทาอะไรเขาก็ทําทำทำเสร็จแล้วคนที่รอบข้ากเขาบอกเฮ้ยทำไมก้าวหน้ายังไม่พัฒนามาจากไหนแกก็บอกแกไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเขาก็สั่งก็ทำให้เขาสั่งทตามให้เขาสั่งก็ให้นั่งทําสติก็ทําสติแตอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีปิติแกเกิดทุกวันทุกวันทุกวันเราก็เลยบอกว่าไม่ไม่ต้องกลับบ้านก็อยู่ต่อไปไม่ต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยอยู่ต่อไปเลยอย่ากลับบ้านกลับบ้านมาก็สติแตก ก็น้องปู่ปมั่งสอนนลวงตาเว่าเรียนความรู้ที่เรียนมาเหมือ น, นเอาไว้บนทิ้งก่อนเนะี่มันไม่มีประโยชน์เลยมาทําใจให้สงบให้ได้ก่อนเอาสติตัวเดียวแล้วมันจะพาไปหาความรู้ต่างๆถ้าใจสงบแล้วความรู้ต่างๆอันนี้ก็จะมาเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือใช้ในการฆ่ากิเลสได้ เพราะว่าตอนจริงนั่งอยู่โน้กไม่ทำไมคิดเยอะทำไมว่าแม่นเห็นคิดเยอะเลยเขาก็นั่งของเขาแล้วทำไมเราเป็นฟุ้งสังง่ง อ, <laughs> อะไรเ <Yeah. S 2> เยอะเยอะมากเลยโอยแย่แต่ไปก็เขากลับมาก็ดีนะคะเขาปงไปเยอะ เขาก็บอกเออมีแค่นั้นแหละอะไรแยกไม่เอาอะไรละแล้วเออก็ดีเราช่าัไม่ต้องลุงจะไปวัดก็ไม่เป็นไรนะสองสามวันก็ลืมพอกลับไม่ไม่ค่ะนี่เขาจะเราไปใหม่มแต่เขาจะไปใหม่เขาบอกว่าเออกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยจริงกลับมาเขาบอกเออเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะเออก็ดีไปสลับกันไปแต่มีเหลือข้อเนี่ยค่ะยังไม่ไปยังรูแบบเดิมแต่แม่เขาก็เลยไม่ค่อยห่วงละคือแกก็จะเริ่มไปอะไรก็ยังมีผ้ามาทุกเดือนอยู่ มีทุกเดือนอยู่ค่ะก็ก็แกแก่อธิฐานไว้ว่าแกต้องทําบุญทุกเดือนมีความไปร่วมทําเยอะไหมมีความไปร่วมทําเยอะเลยเกือบสออก็เยอะนะที่โรงพิมพ์เลยนะไม่พักอะค่ะบางองค์ค่ะบางองค์ว่ากักบางองค์ก็ไม่ได้พัแต่หลังๆไม่ค่อยพักละค่ะแต่ที่ทํานี่อยู่ที่โรงพิมพ์นี่ที่โรงพิมพ์ค่ะบนชั้นบนนะคะก็เปิดให้เขาจริงๆแล้วแรกๆทำเยอะกว่ครอบครัวค่ะ หลังๆคนเขารู้เขาก็อยากจะมาจอยก็เออก็เปิดพาไปทําไมก็เป็นสถานธรรมก็มากันเยอะแยะแต่ว่าไม่อะไรใช่คนก็อยากจะหาทํากันก็เราต้องนีมนหาครูบาอาจารย์ให้เขาทาบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันในึรงเทพหาหาพระที่เป็นพระไม่ค่อยได้กันเราก็เลยไม่อยากจะไปกันค่ะแต่เล่มนี้เนี่ยสตรีเล่มทำหเล่มมั่นภาคเนี่ยค่ะอาจารย์แม่อาจารย์เทพไว้ตั้งลต่ปีนั้นตอนนี้มัน ห้าหกนะ้าหกก็คือตอนนี้มันก็ยังตรงกับสมัยก็ดีมาอาการรีกงพูดไม่ใช่มันตรงเข้ากับฮ็อกเข้ามาก็ถึงว่าเวลาฟังเนี่ยคือหัวใจอาจารย์เทพยังไงสุดท้ายผ่านมาหลายปีมันก็ยังเรื่องเดิมเรื่องมันก็ยังอยู่วงจรเดิมก็มันมีมาทุกยุคทุกสมัยคือคนเราชอบพระที่รูปดีเสียงดีพูดเก่งผ่านล้อมฟังแล้วแหมด้วตัวเอง มีปิติมีความสุขก็เลยทุ่มเทมีเงินมีทองอะไรก็ถวายกันไปถวายกันไปถ้าท่านก็ถ้าไม่มีทารมก็โดนเงินทองนี้ทาลายตัวเองไปคุ้วันนี้ก็ชอบมาถามว่าให้เวลาถ้าเจอพาปพิธิให้บอกก็ด้ว ย, วว เ, ยรวเราก็บอกว่าเราจะไปพูดยังไงรเราก็พูด เราก็ไม่รู้ว่าเราดูถูกดูกผิดล้วก็เราก็ไม่แน่ใจผ้าที่ดีจริงคือภาาที่ตายแล้วแน่นอน <c oughs> กาบลงตาแล้วหรอ <c oughs> ผ้าที่เป็นนี่มันยังไม่แน่ <c oughs> เราไม่รู้ท่านร้อยเปรเซ็นต์เาอาจจะรู้เฉพาะส่วนที่เราเห็นท่านนั่นเองส่วนที่เวลาที่เราไม่เห็นท่านเราไม่รู้ท่านไปทํำอะไรหรือเปลไม่รู้เขาก็บอกว่าฝากเตือนเท่าไหร่นะถ้ามองค์ไหนที่เขาไปกาบแล้วไม่ดีเติอนสกิดสกิดเขามัางเราก็รู้ะไม่สกิดแน่นอ เ ร, เราก็ไม่รู้เราก็กลัวเป็นเรียนเป็นกรรมแต่เราก็เราก็บอกว่าเอาแค่โ ช, ว, ชว์ไม่กี่องค์ก็พอมั้งไม่ต้องหลากหลายแค่นั้นก็พอแล้วก็เพราะ<อ>ว่ายังไงคําสอนแต่ละองค์จริงว่ามันก็ใช้ใช่คเหมือนกันทุกคนสีนสมาธิปัญญาการสีภาวนาตัว อ, อย่างของท่านอาจารย์กของหลวงปู่ที่จริงที่อยู่สกลจึงก็ว่าพูดออกมาก็คือเรื่องเดียว ก, กันเพียงแต่ว่าอาจจะยกตัวอย่าง ที่แต<ล>กต่างกันนิดหน่อยลอย่าลสุดถ้านอาจารย์อย่างบางเรื่องท่นอาจารย์ไ ย, ยกเรื่องควายถ้าท่านก็ยกเรื่องหมา <S <S อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็คือความหมายมินนิ่งก็คือเดียวกันะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางองค์ที่ฟังไม่รู้เรื่องก็คือฟังไม่รู้เรื่องจริงอันนั้นก็งงอะไรอันนั้นไม่เข้าใจาก็ปล่อยไปผ่านไปก่อนบางทีท่านอาจจะไม่รู้เหมือนกันท่านก็พูดไปตาม นี่แล้วค่ ะ, คะอาจารย์ในความไม่มีเรานี่มันต้องผ่านเวทนาด้วยหรอคะไม่ต้องผ่านหรอกคือให้รู้ว่าเวทนานี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตัวเรามันอยู่ที่ร่างกายก็ต้องดูเวทนาด้วยอ้าวก็ต้องเข้าใจเวทนาแล้วปล่อยวางเวทนาปล่อยวางเวทนาเลยหรอคะก็มันไม่ใช่เราไง เหมือนกับไฟที่มันลุกเนมันไม่ใช่เราเราอย่าไปร้อนกับไฟเราเพียงจะรับรู้ไฟว่ามันมันไม่อยู่เวทนานี้ก็เหมือนไฟที่กําลังเผาร่างกายแล้วก็รับรู้ว่ามันเป็นไฟที่กําลังเผาร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็เพียงแต่เป็นคนดูร่างกายกําลังถูกเผานั้นเองเราก็ไม่ต้องไปเจ็บร้อนแทนร่างกายเราไปเจ็บแทนมันเองเหมืเราดูหนังอะราดูหนังแล้วก็ไปเจ็บแทนพระเอกนางเอกใช่ไหม ทีหวาดเสียวแทนพระเอกนางเอกหลับตามไม่กล้าดงเส้นได้ทำแต่แสดงว่าเราหลงนะเราหลงว่าเราไม่หลงคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์หลงไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกายถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถดึงใจออกจากเวทนาจากร่างกายแล้วมองมันเฉยเฉยเหมือนกับว่ามันเป็นคนอื่นได้แล้วมันจะไม่ทุกข์ เวลาเราเห็น right. คนอื่นก็เจ็บปวดเพรานัองโอยวายเราไปเจ็บปวดกับเขาว่าแบบใช่ไหมเราก็เฉยเฉยเจ็บนะเจ็บก็เจ็บไปเพราะไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมแต่พอร่างกายนี้เจ็บขึ้นมาเราไปเจ็บแทนมันจันงีแล้วเราคิดว่าเราเป็นมันแต่เราไม่ได้เป็นมันเพียงเียเราอยู่ใกล้ชิดกับไหมใช่ใช่ชิดกับมันเหมือนน้ำกับขวดน้มันอยู่ด้วยกันก็เลยคิดว่าเป็นตัวเดียวกันเอาเทน้ำออกจากขวดแต่ก็รู้ว่าออกเป็นพลอส่วนกัน แต่ล้นั่งสมาธิใจกับร่างกายมันก็จะแยกจากกันแต่ทีนี้พอเป็นเข้าใจแล้วมันก็รู้จะวิธีปฏิบัติของใจกับเวทนากับร่างกายทั้งวันก็ทําใจเฉยๆถ้าทาใจเฉยๆมันก็เหมือนกับแยกออกจากกันแต่มันก็แยกได้แค่ชั่วชั่วข่าวเี่ก็ต้องใช้ปัญญาคอยแยกอยู่เรื่อยๆคอยเตือนว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป เราต้องคอเนี่ยป yeah. ัญญาที ș, <S s ่ต้องมาคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปยุ่งกับมันนี่ก็แยกแล้วก็แยกแยกด้วยปัญญาขอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆก็คือแยกชั่วข่าวเรื่อยๆก็เวลาอยู่ในสมาธิมันก็แยกชั่วคราวพอออกจากสมาธิมันมารวมกันก็ใช้ปัญญาคอยแยกมันอยู่เรื่อยๆอย่าไปห่วงร่างกายมากจเกินไปอย่าไปกังวลกับมันมากจนเกินไป เลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเอ่ยกะยไหมมันหิวก็มันถึงเวลาใก็ใ้เหมันกินถึงเวลากใก้มันดื่มถึงเวลาก็ให้มันนอนเจ็บก็หาหมอหายารักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปนี่เราเป็นหวัดที่ยังไม่หายมาเกือบเดือนแล้วก็อยู่กับมันไปมันก็ยังไม่หมดททีมันเหลือนิดๆหน่อยๆเหลือเสหะที่บางทีก็ ถ้าไปกระทบกับหลอดลมมันก็เลยต้องไอยาวครานี้รู้สึกยาวเพราีมันเป็นช่วงเปล่าอากาศด้่ยมัจากร้อนมาฮะเย็นร่างกายมันเลยไม่มีภูมิใช่ไหมมันชืนอ่อดี่ยมั้งคะก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเร้่อยๆคุณอาจารย์ดึงถามอาจารย์มีหนัสงสือภาษาอังกเรื่องการมะเ ร, ร็งคะพอดีมีชนก็ถาม ก็สามเล่มนี้แหละมันก็จิงบอกว่าเคยออกมาเฉพาะจิงว่มีด้วยเหรอจิงก็เลยงอ๋อไอ้การการการกามาสูบเป็นทุกข์ไงแล่ที่มีอยู่ทงน้นเดี๋ยวต้องไปดูเซนเชียร์เ Painful อ๋อเล่มสีเหลืองด้วยการมาเสียไปดูกรณีคนอินโดนีเซียเขขอจิงลน้ไนาะเอากี่วเล่มเขเล่นเดียวเอเล่นเดียวเล่นเดียวเขากรดีเขาปฏิบัต อาย์คะที่พูดถึงที่ระจาอธิบายก็คือทําไปเรื่อยๆเดี็กถ้ามันมันก็จิตมันก็จะถูกอบรมไปอต้องให้จิตสงบมันถึงจะอบรมได้ถ้าจิตไม่สงบนี่มันยังอบรมไม่ได้มันยังดื้อมันยังด้านอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะหายดื้อคะแล้วต้องคุมมันไงต้องคุมมันด้วยพุทโธอย่าให้มันคิดพุทโธพุทโธแล้วให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็คืออาการท้องอาการสาสแล้วก็ดูผัก ยอย่าให้ไป <ฮะ S 2> คิดถึงลูกถึงสามีถึงถทรัพย์สมบัติถึงอะไรอย่างๆถึงคนนั้นคนนี้แม้แต่คนในวัดด้วยกันก็ อ, อย่าไปคิดถึงเขาปล่อยเขาใครก็จะเป็นไงก็เรื่องของเขาอย่าไปคิดเรื่องอนาคตว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้กี่วันไปอยู่มันไปแค่ปัจจุบันถึงเวลามันอาจจะตายก่อนไปก็ได้อาจจะไปก่อนตายก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนเอาอยู่แค่ปัจจุบันทําใจให้มันว่างอย่าไปคิดอะไรดูแล ปัจจุบันก็ดูแลใจให้มันสงบอย่าคิดปรุงแต่งแล้วก็ถ้าจะคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่ว่าทุกอย่างเป็นทุกเป็นตายรักไปมันก็จะปล่อยวางได้ทําไปจนกว่ามันจะเชื่อมันจะยอมอนนี้มันยังไม่ยอมมันยังไม่เชื่อมันยังไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายอยู่ยังไม่คือมันยังไม่ยังไม่ยอมเชื่อว่าอาจจะตาย พรุ่งนี้หรือวินาะทนะีถัดไปนี้อะไรเงี้ยค่ะมันเชื่อแต่ว่าต้องตายแต่มันไม่เชื่อแบบนั้นก็ไม่เท่าไหร่มันต้องยอมตายนัยถ้ามันยอมตายแล้วจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะตายยี่สิบปีข้างหน้าก็ไม่เป็นปัญหาะแต่ถ้ายังไม่ยอมตายมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ปัญหาคือไม่ยอมตายไงต้องสอนว่า ยอมแล้วมันสบายยอมแล้วหยุดแล้วก็เย็นถ้าไม่ยอมมันก็ตัง้งต่อสู้มันก็ทุกข์มันก็รุ่มร้อนจิตใจเป็นเป็นไม่สบายก็หาวิธีรักษามันรักษาไม่ได้ก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่เป็นเพรายังไม่ยอมอายอมว่ะมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่ก็มันไป อาจารย์นะ